แล้วย่างมือแล้วก็หดหดยืดยืดหดหดอย่างเงี้ยเดี๋ยวรู้สึกถึงพลังแล้วระ ว, วังป่ามือมันมีสนามพลังเกิดขึ้นแล้วไอ้นี่ก็เหมือนกันคืออยู่ในหัวเนี่ยหรือว่าเราเเพ่งไปที่ศูนย์กลางกายหรือว่าเพ่งไปที่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นจุดที่เราคิดว่าเออน่าสนใจนะเวลานั้นมันสามารถดึงดูดจิตใจเราได้เนี่ยถ้าโฟกัสไปนานๆแล้วรู้สึกถึงพลังขึ้นมาพลังนั้นมันจะค่อยๆเก่อตัวเข้มข้นขึ้ น, นเรื่อยๆ อยากกาววิธีแก้ัวดมาก่ไหม point ก็คือว่าพอผมพูดอย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นภาพว่าจริงจริงแล้วเนี่ยการสะสมพลังมันเป็นไปได้จากจุดไหนก็ตามที่เราโฟกัสเข้าไปทีนี้อย่างของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพวกที่มันมีพลังเดิมค่อนข้างจะพลังแบบดิบๆะนะเหมือนเหมือนน้ามันดิบะค mm ่อนข้างจะเยอะ คุณจะรู้สึกว่าเวลาอยากทำงานอะไรจริงๆเนี่ยมันจะมีพลังมันมันจะทำหามรุ่งหามค่ำได้แบบไม่กลัวไม่กลัวงานหนะักเพราะว่ารู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันมีแรงอัดอยู่แล้วถ้าหากไม่ได้ระบายแรงอัดตรงนั้นตังหากถึงจะรู้สึกว่านอนไม่หลับเป็นทุกข์นะพูดง่ายๆว่าถ้าเจองานที่ชอบได้ ถ้ามันดึงดูดเราได้จริงเนี่ยเราอุทิศได้เลยนะมันมันจะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมันทุ่มให้กับตรงนั้นได้เต็มที่อันนั้นเพราะว่าธรรมชาติเดิมของเราเนี่ยเป็นคนที่เออคือเคยทํางานใหญ่นะแล้วก็เป็นงานงานบุญงานกุศลในอดีตนะคือไอ้ที่ของมันอะไรที่มันเออจะต้องใช้กําลังกายกําลังใจเป็นเวลานานๆเนี่ย แล้วเราทำแล้วทำสำเร็จมันก็เลยพอบุญตรงนั้นนะจากชาตินั้นสิ้นสุดลงเนี่ยบุญนั้นก็ก่ออัตภาพใหม่ขึ้นมาคือมันเหมือนกับเรามีขุมพลังงานอยู่ข้างในที่เหมือนกับจะเจออะไรชอบใจแล้วเนี่ยเราจะไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นนี้พอมาทำสมาธิผิดผิดทาง มันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าความเป็นคนที่มีพลังอยู่เยอะเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูง่ายๆเดี๋ยวปิดไมล์ลองปิดไม์อ่แล้วลองวางวางไมล์กันนะตังแล้วลองถูมืออ่าเนี่ยอ่าเนี่ยอ่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลองอีกแบบหนึง่งคือคือถูมืออ่แล้วแล้ว แอบแย่งมารู้สึกถึงความร้อนรู้สึกถึงไอร้อนที่ฝ่ามือแล้วก็เสร็จแล้วห่อขึ้นมานิดนึงอ่าแล้วก็ยืดออกมาไม่ไม่อันนี้โฟกัสไม่ได้อยู่ที่มือแล้วสังเกตเนี่ยทําทความรู้สึกถึงไอร้อนที่ฝ่ามือยืดออกมานิดนึ่ง อ, ออกมาอีกเอาอกมาอีกเอาอกมาอีกอยากเรรงมือเอาทํามือนอ่อนอ่าทีนี้คือเนี่ยตอนนี้ที่เริ่มรู้สึก เนี่ยอ่าจำาความรู้สึกตรงนี้ระวังฝ่ามือไว้นะเยืดออกมานิดนึงอ่าเนี่ยตรงเนี้ยทีนี้แค่โฟกัสตรงนั้นแหละที่ที่กำลังรู้สึกอยู่เนี่ยเห็นไหมแล้วนึกขึ้นมานะให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้ไม่ใช่จิตจิตไปแล้วเดี๋ยวทำทจิตสบายๆบายก่อนอ่าหลับตาหลับตามันจะได้ไม่รับรู้ถึงข้างนอกโอเคอ่ า, อาประกบมือเข้ามาใหม่ แลถูมือนิดหนึง่งโอเคแล้วเราแยกเราแยกออกมาโอเคเนี่ยเอาแค่นี้แหละแล้วเสร็จแล้วรู้สึกใช่ไหมรู้สึกถึงไอ้อะไรที่มันอยู่ระหว่างฝ่ามือนะแยกออกมาอีกนิดหนึ่งแยกมือออกมาอีกนิดนึงแล้วนึกว่าเนี่ยมันโตขึ้นแยกออกมาอีกนิดนึง่งแล้วนึกให้มันเข้มข้นขึ้นคือให้มันเหมือนกับมีพลัง อ่าเนี่ยที่มันรู้สึกเหมือนเป็นก้อนแล้วนึกแค่นึกเนี่ยว่าเออมันเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นทีนี้ให้นึกว่าไอ้ก้อนพลังตรงเนี้ยมันมีความอุ่นมันมีความร้อนคือนึกถึงแค่นึกเฉยเฉยนะว่ามันร้อนขึ้นอ่าโอเครู้สึกใช่ มันสามารถรู้สึกได้อันนี้คือตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตของเราว่าจะให้มันเป็นไปนในทางไหนนี่ถ้าถ้าต่อไปมันมีพลังหรือว่ารู้สึกถึงการก่อตัวอะไรที่มันเข้มข้นขึ้นที่จุดไหนก็แล้วแต่เราสามารถนึกได้นึกว่าให้มันหายไปเมื่อกี้เราสร้างขึ้นมา จากการปรุงแต่งทางใจในทางที่จะให้มันเกิดขึ้นแต่ต่อไปถ้ามันมีอะไรหนัหนกๆมันมีอะไรที่มันเข้มข้นขึ้นมาก่อตัวขึ้นมานะแทนที่จะไปจี้อยู่ตรงนั้นไปล็อกอยู่กับตรงนั้นแล้วทําให้มันคาอยู่โดยไม่รู้ไม่รู้ตัวคือรู้เท่าไม่ถึงการโดยการไปโฟปกัสมันเราแค่หันมาโฟกัสตรงอื่นอย่างเช่น สังเกตดูมันหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่อันนี้มันเปลี่ยนโฟกัสแล้จากโฟกัสเดิมที่มันเข้าไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งของร่างกายมันกลายมาเป็นอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในท่านั่งนี้และท่านั่งนี้กําลังถึงเวลาหายใจเข้าหรือหายใจออกอันนี้มั น, ม, นมันรู้สึกสบายขึ้นมาใช่ไหมและมันเกิดความรู้สึกตัวรู้สึกทั้งตัวขึ้นมาตรงที่รู้สึกทั้งตัว คุณจะมีความรู้สึกว่าพลังเนี่ยมันสเสถียรกว่าเดิมอ่านั่นแหละคือมันสเสถียรกว่าเดิมลักษณ ะ, ะที่แผ่ออกไปมันแผ่ออกมาจากตรงกลางออกไปทุกทิศทุกทางแล้วมันจะค่อยๆเสถียรขึ้นแต่เดิมเนี่ยคือพ อ, อ, อมีพลังเกิดขึ้นที่หน้าผากหรือที่ตรงไหนก็แล้วแต่เราจะไปโฟกัสตรงนั้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งโฟกัสตรงนั้นปุ๊บจิตที่มัน มีพลังเยอะๆเนี่ยมันไปบีบแคบอยู่ตรงจุดเดียวแต่อย่างเมื่อกี้พอสังเกตว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกพลังมันกระจายออกไปกระจายออกไปแบบสถียนคือไม่แกว่งนึกออกใช่ไหมอ่าทีนี้ต่อไปเนี่ยต้องเซตความเชื่อมีไมเซ็ตม่อีกแบบหนึง่งว่ามันขึ้นอยู่กับว่าใจของเราโฟกัสอยู่ที่ไหนแล้วนึกให้เป็นอย่างไร อย่างมันแกี้ให้ทดลองง่ายๆเลยคือคือนึกก็นึกได้นึกให้มันอุ่นมันก็อุ่นได้แต่จริงๆนึกให้เย็นก็เย็นได้นะเพียงแต่ ว, ว่าพอไปเล่นกับพลังพวกนี้โดยที่จิตยังไม่เสถียืนเนี่ยมันจะทําให้คือมันมันเลิดไปเรื่อยมันออกนอกทางไปเรื่อยแล้วก็จะยิ่งเราค้นพบอะไรใหม่ก็จะยิ่งสนุกแล้วก็ทุ่มเ อ, อแล้วก็ทุ่มพลัง ทุ่มพลังไปยังปล่าวระโยชน์นี่อย่างพอเริ่มเข้ามารู้สึกถึงลมหายใจแบบยอมรับตามจริงไม่ใช่ไปบังคับลมหายใจแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่รู้สึกถึงพลังที่มันออกไปแบบสะเถียนสถียนมากขึ้นเนี่ยนะตรงนั้นให้มีมุมมองกำกับไว้เลยว่ายิ่งมีความสุขแล้วพลังแผ่ออกไปมากเท่าไหร่ เราก็จะน้อมเอาพลังตรงนี้นะให้เป็นความสุขกับโลกภายนอกคือพูดง่ายๆว่าแผ่พลังแผ่สนามพลังความสุขออกไปเพราะไม่งั้นมันจะแผ่พลังออกไปเฉยๆฉโดยไม่มีเจตนากํากับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือพลังมีแค่ไหนเนี่ยควรกากับไว้เป็นเมตตาเอาเมตตามาเป็นตัวกากับ พูดง่ายๆว่ายิ่งมีความสุขมากเท่าไหร่นะแล้วก็สนามพลังความสุขนั้นแผ่ออกไปเนี่ยเราปรารถนาให้ความสุขนั้นเนี่ยมันไปถึงทุกคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าก็ตามพลังตรงนั้นมันจะยิ่งคือยิ่งสเสถียรมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะคุณจะยิ่งรู้สึกว่าเออมันไปถึงจริงๆพูด ง, ง่ายๆว่ามันทำให้ โลกเนี่ยมันเย็นลงได้ยังเมื่อกี้ตอนผมพูดถึงความสว่างในห้องเนี่ยนึกออกไหมคุณนึกออกไหมว่าเออเนี่ยมันมีสนามพลังอยู่จริงแล้วเราจะรู้สึกได้เพียงแต่ว่ามันจะมาแบบบูบๆบาบ้แต่ทีนี้ถ้าเราเป็นคนแผ่สนามพลังความสุขหรือว่าความสว่างออกออ ก, ออกไปเต็มๆจริงๆเนี่ย ตรงนั้นมันจะไม่แค่แช่แคบูบูบ้บาบามันจะเหมือนกับตั้งอยู่ได้นานแล้วก็เราสัมผัสเราสัมผัสถึงพลังได้จริงแล้วคือพลังภายนอกที่มีอยู่จริงแล้วก็พลังของเราที่มันแผ่ออกไปเนี่ยนะมันก็ไปร่วมมันก็ไปมีส่วนเสริมตรงนั้นมันจะทําให้เกิดภาพภายในคือคือภาพทางใจที่มันชัดเจนขึ้นว่าเออที่เราทําสมาธิไปเนี่ยตกลง นะมันมีความมันปรากฏเป็นของจริงยังไงบ้างทั้งประสบการณ์ภายในของเราแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราสามารถสั ม, สมผัสได้จากภายนอกเนะี่ยถ้าเข้าใจว่าจิตมันจะตั้งตั้งมั่นมีความสเสถียรได้อย่างไรตรงนี้เอามาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่คือ มันมันปวดอยู่แล้วเนี่ยครับผมจะเจริญอานาปานสติไหมตอนนี้ไม่ปวดใช่ไหมตอนนี้ไม่ปวดแต่ว่าวันคืออย่างบางครั้งตอนเย็นย็นมันจะปวดมากแต่นอนไปปุ๊บตื่นมามันก็หายเพราะเพราะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะพลังแบบของคุณเนี่ยมันเอาไปโฟกัสจี้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นแหละ แต่แต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสเสถียรที่ถูกต้อง<ห>ต่อไปเนี่ ย, ยต่อไปเนี่ยมันจะสบายขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างเมื่อกี้มาทันตอนผมไกด์ทำสมาธิมาเมาื่อกี้มันยังมีอาการเพง่เพงอยู่อ่แต่เมื่อกี้พอผมพูดถึงเนี่ยนะที่บอก ฟพ่งคุยกันเนี่ยเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ า, า ถ, ถ้าถ้าตั้งอยู่ในสภาพที่พลังมันจะแผ่ออกไปได้ตรงๆเนี่ยไม่ไม่บิดเบี้ยวไม่จี้เข้าไปที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยนะมันมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งและตัวนี้เนี่ยที่มันจะแก้ทุกอย่างเลย<อ>คือที่ผ่านมาปวดหัวเนี่ยสาเหตุเพราะว่าพลังมันไปอัดแน่นอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งมากเกินไป คือจิตแบบเนี้ยมันจิตใหญ่ถ้าบอกจิตใหญ่คือ <c oughs> คือลักษณะมันพูดง่ายๆว่าเคยทำงานใหญ่แบบปราตนาทางทางยาวเส้นทางพุทธภูมิอาจจะยังไม่รู้ตัวนะแต่ว่ามันมันไม่จำเป็นต้องไปยาวคือถอนได้ มันไม่ได้มีตัวล็อกไม่ไม่ไม่ไม่บางทีบางทีเนี้ยเราไม่เข้าใจตัวเองไอ้ความต้องการเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบอกเสมอไปว่าเรามาทางยาวหรือทางสั้นแต่จิตใหญ่แบบเนี้ยมันมันเคยทำงานใหญ่มาก่อนนี้การที่เราจะตั้งเข็มที่ชัดเจนเนี่ย มันมันต้องบอกตัวเองอยู่ทุกวันนะว่าที่เราจะปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิหรือว่าจะเป็นการจเจริญสติในระหว่างวันก็ตามเนี่ยเราทำไปเพื่อเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์จนกระทั่งจิตมันเรียนรู้แล้วก็เข็ดที่จะอยู่กับขันห้าไอ้นี่มันมันยังครึ่งๆกลางๆคือทีท่ที่คุณทุกข์เนี่ย เพราะว่าไปทําสมาธิผิดใช่คนระับแล้วก็เกิดความรู้สึกปวดหัวขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่พลังคุณเต็มขึ้นมานะแล้วทําสมาธิถูกแบบถูกทางเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นเป็นไปอีกอย่างหนึ่งมันจะสนุกมันจะอินการมีชีวิตมันจะรู้สึกว่ามีชีวิตที่มีพลังเนี่ยมันเป็นของน่าเอานี่มันผมนึกบอกว่า ต้องตั้งเข็มให้ชัดเจนก่อนต้องบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะดูไปเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงนะถ้าจำไม่ได้ว่าผมไกด์ยังไงตอนตอนนั่งสมาธินี่ก็เข้าไปที่สาวกล่าวคอมดังทรินนะเคยเคยเคข้าไปแล้วครับ แต่ตอนนั้นคือฟังแล้วมันยัง<ช>มันยังเข้ามาอยู่ข้างในอยู่ดีแต่เมื่อกี้เนี่ยคือส่วนหนึ่งช่วยเคลียร์ให้ด้วยนะ <ผม S 1> ก็คงรู้สึกได้นะว่ามันมันแตกต่างไงแล้วลงกลับไปทําคือกลับไปฟังใหม่มันจะแตกต่างแล้วก็ไปที่ที่นนั่ะฟังไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยพี่ว่าค่อยๆฝ่ามืออ่าครับผมคือคือคราวนี้ยพอไปทําใหม่อีกทิ้งเนี่ยมันจะแตกต่างละ ค, คือฟังฟังสองรอบบางทีมันไม่เหมือนกันนะฟังในขณะที่เรามีแบ็กกราวอย่างหนึ่งเป็นตัวกั้นไว้เนี่ยแต่อตอนที่มันมันเริ่มเข้าใจจริงๆมันเริ่มจูนติดเนี่ยมันจะแตกต่างไอ้นี้พอเริ่มทําสมาธิถูกเนี่ยนะแล้วก็จิตแผ่วเป็นเมตตาจริงจริงมันจะเสริมกันกับการจเจริญสติแล้วก็จะคือคุณจะรู้สึกแตกต่างเลยถ้าทําสมาธิถูกทางเนี่ยนะ การเจริญสติในชีวิตประจำวันมันจะดูเหมือนเป็นของง่ายมากทีนี้มันจะง่ายจนกระทั่งว่าเอ้ยไม่อยากไปแล้วนิพานอยากไปต่อมีความสนุกที น, นี้ก็ต้องเตรียมตัวไวล่วงหน้าถ้ถาเมื่มอไหร่ที่เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยเราทําได้แล้วสติเนี่ยมันมันอยู่เต็มเต็มเต็ ม, เ ต, ม, เ, ตมเต็มจิตจริงๆเนี่ยนะคืออยู่กับมันเต็มที่จริงๆเนี่ย เราจะอยู่กับมันเต็มที่เพื่อที่จะเห็นความไม่เที่ยงทุกลมหายใจเข้าออกทุกอารม์ที่เกิดขึ้นมันจะหนักจะเบาก็แล้วแต่นี่อย่างตอนเนี้ยมันก็ไม่ปวดแล้วไม่ปวดอ่าเพราะมันมันออกมาจากตรงกลางนะตอนเนี้พลัง่คือมันเริ่มมันเริ่มล็อกออกมาจากข้างในนะที่อย่าไปอย่าไปคิดนะว่าเป็นกลางอกหรือเป็นอะไรแต่ให้คิดว่าเออมันออกมาจากตรงกลางแล้วมันแผ่ออกไปคือไม่ใช่ยี้เข้าไป ม, มันแผ่ออกมานะให้อยู่กับตรงนี้เวลาที่จะดูลมหายใจเข้าออกหรือว่าดูภาวะทางอารมณ์ไหนๆก็แล้วแต่ให้ออกมาจากความรู้สึกตรงนี้เสมอ น, นะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ เ, เวลาทำอนาปานาสติค่ะจะหลับแบบจริงจังมากเลยค่ะ ก็เลยก็เลยไปซื้อเครื่องวิ่งมาแทนไม่รู้ว่ามันจะพอร์ตเวิร์กอย่างนั้นเวิร์กมากเลยนะแต่ต้องใช้เวลากว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่ากว่าใจเราจะยอมรับว่าจะให้มันไปอยู่กับกระทบกระทบกระทบมันต้องสร้างความเคยชินเพราะอันนี้ใจมันอยู่กับความเคยชินที่อยู่ข้างนอกน ะ, ะเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องโน่น เ, เรื่องนี้เนี่ยมันมันดึงดูดใจของเรา ได้ดีกว่าที่จะเข้ามาข้างในใช่รู้สึกไม่มีชันทะในการปฏิบัติแต่อย่างน้อยมันมีชันทะที่จะเข้ามาเจริญส ต, ติมันต้องมีเหตุผลละ่ะนะคือคือบางทีคนเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเข้ามาเส้นทางนี้เนี่ยเต็มเต็มเนี่ยเพราะเพราะอะไรนะ บางทีมันเหมือนมีแรงดันอยู่ข้างในแล้วก็เรารู้สึกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยตอนแรกๆมันอาจจะเหมือนกับอยากลองแต่พอดูเข้าไปจริงๆเนี่ยมันมันเหมือนมีมันเหมือนมีแรงดึงดูดจากข้างในอยู่แล้วให้มันเข้ามาตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะแล้วมันจะค่อยๆเพิ่มแรงขึ้นมา ตราบเท่าที่เรายัางทำต่อทีละนิดทีละหน่อยคือคือโอเคชันทะตอนนี้มันอาจจะยังอ่อนเพราะว่ามันมีแรงเรียกไปข้างนอกมากกว่าแต่ถ้าไม่หยุดนะไปตื้อรูวิ่งมาแล้วก็ดูกระทบกระทบกระทบไปตอนแรกๆมันอาจจะเหมือนกับว่าวิ่งไปแล้วฟุ้งสัน้นฟุ้งกระจิงนะแต่พอ มีความเคยชินขึ้นมาอยู่กับเท้ากระทบกระทบกระทบไปเนี่ยมันจะเริ่มเกิดความรู้สึกชอบใจขึ้นมาทีละน้อยเพราะว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านมันจะลดลงของเราที่ต้องการที่สุดเนี่ยก็คืออารมณ์ฟุ้งซ่านเหมือรอยออกข้างนอกเราไม่ชอบแต่อีกใจหนึ่งเราก็สนุกเราก็มีเหมือนกันรู้สึกว่ามันเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ใจของเราออกไปได้มากที่สุด นี่ตัวฉันทะมันจะเกิดขึ้นเมื่อจิตของเรามีความสงบยังเมื่อกี้ตอนที่นั่งน้องก็โอเคเนี่ยมันมันก็รู้สึกสบายเนี่ยใช่ไหมคราวนี้มันแปลกมันไม่หลับออามันมันก็ดีเนี่ยใช่ไหมมันมันรู้สึกสว่างมันรู้สึกว่าเออเราเรามีสติอยู่ได้การที่ตัวเนี้ยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าถ้าเราทําถูก มันมันจะมีความสุขมีเพราะมีความพอใจและความพอใจตรงนี้ความสุขตรงนี้เนี่ยที่มันจะไปเพิ่มกำลังของฉันทะให้มากขึ้นมากขึ้นจำไว้ว่าฉันทะไม่เกิดจากความทุกข์ฉันทะเกิดจากความสุขเกิดจากความพอใจที่เราทำได้นี้ถ้าตอนนี้ทำได้อยู่ข้างน้า ก, ก็ต้องทาได้ไม่ต้องแปลกใจหรอกนะ ว่าห้องห้องนี้มันไม่ได้มีมนตลขังไม่ได้ไายมต์แปะอะไรไว้คือมันมีแต่คนมานั่งทำสมาธิร่วมกันแล้วเราอยู่ในอยู่ในกรอบที่มันที่มันถูกต้องเมื่อกี้เห็นจิตเลยล้ำ<ม>เห็นจิตมันสว่างเห็นเห็นความรู้สึกว่าเออมันมันไม่มีหน้าตา รู้สึกไหมทํำๆทไปเนี่ยมันมันเหมือนกับไม่มีหน้าตาไม่มีตัวตนแบบที่กําลังเป็นอยู่คือไม่มีมนโนภาพแบบเนี้มันมีแต่ความรู้สึกสว่างว่างๆโลง่ลงๆแล้วก็มีอาการรู้อยู่นั่ตัวนั้นนี่ยคืออาการของจิตแต่ก็รู้าารว่ า, วามันบ<า>ังคับอยู่อะค่ะบังคับบังคับในแบบที่เรามีความรู้สึกว่าเคยชินที่จะไปจดจ้องกับการ ดูลมหายใจหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าสว่างสบายสบายไม่มีไม่มีหน้าตาไม่มีตัวเราแปบ๊บหนึ่งคือหมายความว่าไม่มีตัวเราในแบบที่กําลังเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะตัวนั้นเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีของเก่าอยู่จริงๆเนี่ยยังไงก็ไปไม่ถึงแต่ถ้าไปถึงตรงนั้นได้แปลว่าเรามีอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นจงมีฉันทะ ตั้งแต่ตรงที่รู้ตัวว่าเราก็สามารถทําได้เหมือนกันถ้าซื้อลูกวิ่งมาเนี่ยอันนี้พี่ว่าโอเคเลยมันน่าจะเหมาะกับเราตอนแรกๆอย่าไปตกใจนะถ้าวิ่งไปแล้วมันก็ยังฟุ้งกระจายยังไม่เห็นได้ผลอะไรเลยแต่ทําไปสักสิบวันยีวันมันจะค่อยๆเริ่มรู้สึกว่าอาการฟุ้งตะเลดิดคอยแต่จะออกไปข้างนอกเนี่ยมันมันอ่อนกําลังลงแล้วมันมีฉันทะ ที่จะมารู้สึกถึงเท้ากระทบมากขึ้นเรื่อยๆพี่เคยบอกว่าให้ดูอใจที่มันยื้อกันระหว่างเผ ล, อ เ, ลอเพลินออกไปกับตอนที่รู้สึกตัวค่ะแต่แต่ว่าฟังมาตั้งนานยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเข้าใจบ้างแล้วค่ะว่าว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี<ต>้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นน้องเห็นแต่อาการอยากจะออกข้างนอกไง มันมันไม่เห็นที่จะอยากเข้ามาข้างในอย่างที่บอกกันแหละน้องก็เข้าใจอยู่แล้วว่ามันไม่มีฉันทะนี้ตัวฉันทะเนี่ยพี่ก็เพิ่งพูดจากประสบการณ์ของน้องไงว่านี่เห็นไหมมันมีความตุกมันไปถึงตรงจุดหนึ่งได้ที่มันมีแต่ความสว่างมันมีแต่ความโล่งมันไม่มีหน้าตาของเราอยู่ตรงนั้น แล้วถ้าเราหวางวันนี้ใช้พุทโทไปอย่างนี้ได้ัหมคะเพราะมันชอบเลื่อนออกไปคิดแบบฝันคื อ, อพุทโทของน้องเนี่ยมันยังเป็นพุธโทในแบบที่กลมกลืนไปกับอารมณ์พุ้งซ่านใช่ค่ะหรือว่าควรจะเปลี่ยนมาเป็นดูลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะแต่มันไม่ค่อยถ้าดูลมอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวคะ่ะ เอาละคือเท่าที่เห็นเนี่ยมันเหมือนอะไรก็ยื้อไม่อยู่จริงๆเพราะว่าใจของเรามันมันมันเตลิดไปยึดกับข้างนอกมากเออนั้นต้องสร้างฉันทะขึ้นมาจริงๆแหละนะไปนั่งสมาธิแบบที่เรารู้สึกว่าวันนี้เราก็ทำได้แล้วก็ ถ้าซื้อลู่วิ่งมาด้วยเนี่ยอันนี้จะยิ่งดีเลยคือจะเห็นเลยเห็นชัดๆเลยภายใน20่สิบวันรับรองว่าภายใน20วันเราจะรู้สึกว่าสติของเราเนี่ยมามีชันทะอยู่กับเท้ากระทบมากขึ้นนะจากนั้นเนี่ยระหว่างวันเราจะเริ่มรู้สึกว่ามีน้ำหนักให้เข้ามาจะอยู่กับพุทโทธก็ได้หรือว่าจะอยู่กับลมหายใจก็ตามน ะ, ะเวลาอยู่กับลมหายใจอย่าไปบังคับ อย่าไปตั้งออกตั้งใจเมื่อเราจะดูเป็นจริงเป็นจังนะแต่ให้สังเกตเป็นขณะดขนาว่าใ น, ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกอยากจะฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกมันหายใจเข้าหรือหายใจออกแล้วหายใจครั้งต่อมามันรู้สึกว่ามีน้ำหนักกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมากไหมอ า, อาการฟุ้งซ่านน้อยลงไหมเห็นความไม่เที่ยงของความฟุง้งซ่านไปเรื่อยๆจากการสังเกตเลมหายใจนี่แหละนะเราจะถึงจะ คืบหน้าไปเป็นขั้นเป็นตอนพูดง่ายๆนะสรุปก็คื อ, อไปไปฝึกประมาีิเอาแค่วันละ5นาที1ิบนาทีไม่ต้องไม่ต้องมากาไปซื้อลู่วิ่งมาก็ดีนะแล้วจากนั้นเนี่ยภา ย, ภายในไม่ถึง1เดือนเราจะรู้สึกว่าชีวิตประจำวันระหว่างวันเนี่ยน้ำหนักของจิตมันจะมีกำลังมากขึ้นมันจะเริ่มรู้สึกว่าไอ้การที่เราเตลิดออกไปเนี่ยมันเป็นความสูญเปล่า คือทุกวันนี้มันยังมีความพอใจ<ฮ>นะเพราะไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นแต่พอมีอะไรที่ดีกว่าขึ้นมาเราจะเริ่มรู้สึกแล้วเออไอการทิ้งไ ป, ปเปล่าเปล่าเนี่ยน่าเสียดายจิตของเราเป็นจิตที่สว่างนะตอนตอนที่มันสนใจธรรมะตอนที่มันมีสมาธิจเจริญสติได้จะน่าเสียดายถ้าหากว่าความสว่างแบบนี้มันเสียมันเสียเปล่าไปชาติหนึ่งเสียเวลาเปล่าไปชาติหนึ่งเอาไปทิ้งอ่ หนังละครความบันเทิงอะไรภายนอกนะค่ะขอบคุณค่ ะ, ะสวัสดีค่ะหนูอาจจะคล้ายๆของน้องเขาค่ะคือก็ได้มีโอกาสฝึกสมาธิมามาบ้างนะคะอาจจะไม่ได้บ่อยมากแต่ก็คือทุกครั้งที่ฝึกอะคะ่ะจะแบบชอบฟุ้งอ่ะคะ่ะคือคือรู้สึกว่า ของเรานะีจะชอบง่วงมากกว่านะค่ะประมาณประมาณนั้นนะคะแบบรู้สึก <c oughs> คิดปกไปวนมาหลายเรื่องอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจะต้องทํำยังไงอะคะ่ะคืออยากอยากฝึกอยากจะเรียนอยากฝึกสมาธิให้ได้อะค่ะของเรามันคือปกติมันจะเจ้าอารมณ์นิดนึงแหมมันมันบางทีเนี่ยเราก็เป็นคนที่ฉลาดคิดฉลาดที่จะใช้เหตุผลเนี่ย แต่อารมณ์มันมาก่อนเราจะรู้สึกได้ว่าเนี่ยเรารู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรอะไรที่มันถูกอะไรที่มันไม่ถูกแต่อารมณ์พอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยของขึ้นเนี่ยมันจะแรงกว่าแล้วก็ตรงที่เราสะสมไอ้ตัวการใช้อารมณ์นําเหตุผลเนี่ยมันมีผลมา ถึงการฝึกสมาธิด้วยคนทั่วไปจะมองไม่เห็นนะถึงบอยนี้แต่ถ้าหากว่าเรามองเห็นภาพรวมว่าจิตของเราที่ผ่านมาเป็นยังไงเราจะรู้สึกเลยเคลื่อนอารมณ์เนี่ยมันกระเพื่อมอยู่ตลอดมันคอยแต่จากกระเพื่อมแล้วถ้าเมื่อไหร่เราตามใจตัวเองมากๆเราจะรู้สึกมืดเหมือนกับข้างในเนี่ยถูกบล็อกไว้ไม่เห็นแสง ทีนีพ้พอเห็นเป็นภาพมาอย่างนี้นะแล้วเรารู้ว่าตอนนั่งสมาธิคือช่วงที่เราพยายามกดให้มันนิ่งมันต้องใช้แรงมันต้องออกแรงเห็นไหมเพราะปกติของเรามันกระเพื่มกระเพื่มแรงถึงพอถึงจุดหนึ่งล็อกห้านาทีสิบนาทีเราจะกดให้มันนิ่งปุ๊บมันเหนื่อยมันต้องใช้มันต้องใช้กําลังแล้วบางทีเนี่ย เราจรู้สึกว่าฉลาดแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้ธรรมชาติของจิตธรรมชาติของอารมณ์เนี่ยเราให้มันมาเป็นมาแบบหนึ่งอยู่ๆจะมากดให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งในทางที่มันดีขึ้นยกระดับให้มันสว่างขึ้นมันดูไกลเกินเอื่อมฉลาดแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้ที่นี้พอยท์ถ้าหากว่าเราจะทําให้สมาธิมัน มีคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่แก้ตอนนั่งสมาธิแต่แก้ตอนใช้ชีวิตทั้งวันคือเวลาที่เรารู้สึกถึงอาการกระเพื่อมของอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราเกิดโทสะตอนที่เรารู้สึกมืดตอนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันจะใจมันจะแล่นตามอารมณนะ์ะมันไม่เอาเหตุผลแล้วให้บอกตัวเองว่านั่นแหละคือความล้มเหลวของชีวิต คือต้องบอกอย่างนี้เลยนะเราจะประสบความสําเร็จมาจากความฉลาดแค่ไหนก็ตามแต่มันจะมาล้มเหลวเพราะตรงนี้แหละเราเห็นเราเห็นมาหลายครั้งหลายหนนะคือบางทีเนี่ย เ, เราดูเหมือนกับควบคุมตัวเองได้ในหลายๆสถานการณ์ก็จริงแต่ว่าในสถานการณ์ที่เราควรจะมีความสุขเนี่ยมันมีไม่ได้มันมีความทุกข์ขึ้นมาแทน ทั้งๆที่บางทีข้างนอกทุกอย่างโอเคแล้วนะเราจัดการเรียบร้อยแล้วแต่ข้างในเนี่ยมันหมักหมมอยู่ด้วยอารมณ์ที่มันเป็นลบบางทีเรารู้สึกเหมือนกับนอนหลับก็จริงแต่นอนหลับไปกับอารมณ์มืดมันไม่ใช่อารมณ์สว่างพอเรามาเจริญสติมาสนใจธรรมะมา ไปไหว้พระไหว้เจ้าเนี่ยนะคือมาทําบุญมาอะไรเนี่ยเรารู้สึกถึงความสว่างรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันปลอดโปร่งขึ้นแต่พอออกจากวัดบางทีมันมันกลับมาใหม่มันวุวนกลับมาใหม่นี่แทนที่เราจะมาคิดว่าเออเราจะต้องไปทําบุญที่ไหนอีกหรือว่าจะต้องอะไรยังไงคือยอมรับตามจริงณจุดนั้นที่มันเกิดความรู้สึกเหมือนกับวุวนหลงกลับเข้าป่าใหม่ เราเราจะมีความรู้สึกเหมือนมืดมืดมีดมความรู้สึกเหมือนอึดอัดหนักๆยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหัดที่จะยอมรับเข้ามาที่สภาวะนั้นที่ผ่านมามันต่อต้านไงมันไม่อยากมีภาวะทางอารมณ์ที่มันแปรปรวนหรือว่าข้างนอกคนอื่นดูเหมือนกับเรานิ่งๆเฉยๆส บ, ยสบายสบายแต่ข้างในเรารู้อยู่ว่ามันมีความทุกข์และเป็นความทุกข์ในแบบที่ไม่อยากยอมรับมันอยากปฏิเสธมันอยากต่อต้าน นี่พ้อยของพี่ก็คือว่าเมื่อเกิดอารมณ์แบบนั้นขึ้นมาให้หัดยอมรับตามจริงแล้วบ้างว่ามันเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เห็นว่าในอารมณ์ที่มันปั่นป่วนเป็นทุกข์นั่นเนี่ยมันเหมือนกับฟุ้งซ่านอยู่ตลอดไม่หยุดเนี่ยเหมือนกับของน้องเนี่ยมันเหมือนกับถ้าบอกถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นมันจะเหมือนคนมองโลกในแง่ดีแต่ข้างในเรารู้ว่ามันมองโลกในแง่ร้าย มันรู้สึก อ, อ, ย, อย่าว่ามองในแง่หลายเลยมันรู้สึกเป็นลบมันรู้สึกไม่ดีนี้ถ้าเราหัดที่จะยอมรับว่าความรู้สึกไม่ดีมันเกิดขึ้นมันเหมือนมีอะไรอันนี้พูดง่ายๆนะมนเหมือนมีอะไรชั่วร้ายอยู่ข้างในเนี้ยคือยอมรับว่านี่เป็นอกุศลจิตต้องแปะไป้ายไว้ให้มันเพื่อที่จะได้เกิดมุมมองการสังเกตว่ามันคืออะไร บอกว่าเนี่ยคืออกุศลจิตพอรู้ว่ามันเป็นอกุศลจิตที่ลมหายใจนี้สังเกตต่อไปว่าอากุศลจิตนั้นเนี่ยมันทวีความเข้มข้นขึ้นหรือว่าเบาบางลงถ้าทวีความเข้มข้นขึ้นมันจะมืดขึ้นถ้าเบาบางลงมันจะรู้สึกสว่างอย่างตอนเนี้ยพอน้องนึกได้เห็นไหมมันรู้สึกเหมือนกับมันเป็นอิสระจากอากุศลจิตนั้นนี่คือกุศลจิต แต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่อย่างนี้ไงขั้นตอนมันไม่ใช่เราวิ่งไปหาการทําบุญหรือพยายามทําสมาธิเป็นการฝืนเป็นการต่อต้านถึงแม้เราจะเรียนรู้มาบอกว่าหลักแต่รู้หรือว่าเอออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันมัน ม, น, มาานมันไม่ใช่อาการข้างในมันไม่ใช่เพราะมันไม่มีอาการยอมรับที่ชี้ให้ดูเท่านั้นเองว่าที่ผ่านมา เราไม่ได้ยอมรับไม่เคยยอมรับเลยในสภาพที่เป็นอารมณ์อกุศลเราปฏิเสธเราต่อต้านมันแค่นี้พอยอมรับเป็นเห็นไหมนี่ตัวนี้แหละที่เรียกว่าสติตัวความสว่างที่เกิดขึ้นตอนนี้นะไม่ใช่สว่างอันเกิดจากการที่เราหลบหลีกหรือว่าพยายามไปทำบุญแต่มันสว่างขึ้นมาจากสติ ที่มันเห็นความจริงเห็นความจริงอะไรเห็นว่ามันเป็นอกุศลแล้วอกุศลนั้นเปลี่ยนแปลงให้ดูกลายเป็นความสว่างขึ้นมาสว่างอย่างนี้เรียกว่ามหากุศลเพราะว่าเนี่ยในคำพีบอกไว้นะซึ่งน้อยคนจะเกิดเป็นประสบการณ์ตรงท่านบอกว่าเมื่ออกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วมีสติรู้เท่าทันว่านั่นอกุศลจิต จิตจะเปลี่ยนจากอากุศลจิตเป็นมหากุศลจิตท่านใช้คํานี้นะเปลี่ยนจากอากุศลจิตเป็นมหากุศลจิตขึ้นมาทันทีเพราะว่าจิตในขณะนั้นประกอบด้วยความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาเป็นสัมมาทิฐิเนี่ยเห็นถึงความรู้สึกอบอุ่นที่เกิดขึ้นไหมเดี๋ยวอบอุ่นมาคือคือรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เกิดขึ้นมัที่มันแผ่ออกไปที่สว่างไปตัวนี้ เราอย่าจําว่าเป็นของดีเป็นของที่เราประสบความสําเร็จเราจะเอาไปก๊อปปี้ใช้ต่อไปนะไอ้นี่ให้นิยาไมไว้ว่าเป็นมหากุศลจิตเป็นจิตดวงหนึ่งที่จะต้องดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยพอตั้งไว้อย่างนี้จําไว้อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิจริงที่ผ่านมาทําบุญเนี่ยถูกแล้วแต่ว่า ตอนที่เราไม่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นกับจิตอันนี้แหละที่มันยังผิดทางการเจริญส ต, ติอยู่นะจ้เทสครับผมมาครั้งแรกครับก็อยากจะสอบถามอาจารย์ว่าในการปฏิบัติของผมเนี่ยที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้การตกผลึก หรือว่าความเข้าใจของผมบางทีผมก็รู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้อะไรบางทีมันเหมือนกับเราค้นหาเกินไปจนบางทีมันไม่รู้คำตอบครับขอบคุณครับสังเกตนะตอนที่เรารู้สึกว่าเรารู้เนี่ยเรารู้หมดเราอธิบายได้หมดเราเข้าใจหมดแต่บท จะรู้สึกว่าไม่รู้มันไม่รู้อะไรเลยเหมือนมันไม่มีที่ตั้งของความรู้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าที่ผ่านมาเรารู้แค่ไหนที่ผ่านมาเรารู้ถูกจุดหรือเปล่าเท่านั้นเองคือพอมันเหมือนกับรู้เยอะเข้าใจอะไรมากนะพอมาถึงอีกจุดหนึ่งมันเหมือน ไม่มีที่ตั้งของความเข้าใจไม่รู้ว่าจะเอาความเข้าใจไปตั้งไว้ตรงไหนเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยคือคาถามแรกไม่เหมือนกับคนน้ำเน็มไม่เป็นอะไรคิดอะไรไม่เป็นแต่จริงๆก็คือว่าเราผ่านให้ความรู้สึกตรงนั้นมาแล้วว่าเราเข้าใจหมดเรารู้หมดคือทั้งทางโลกทางธรรมอ่ะนะในทางโลกหมายความว่าเรา เข้าใจอะไรในแบบที่ว่ามันมันก็ตามมาตรฐานมานะที่ว่าเราก็แข่งชนะบ้างหรือว่ามีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นบ้างเี้ยนะมันมันมันก็เป็นอีโก้แบบหนึง่งมันเป็นอัตราแบบหนึง่งทีเ่เรารู้สึกเซฟอยู่ตรงนั้นแต่พอมาศึกษาเรื่องกายใจเรื่องวิธีดับทุกข์ ซึ่งตอนแรกคนทุกคนเนี่ยพอฟังแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องตื้นๆทุกข์และก็หันดับทุกข์ไม่ว่าแค่หันหน้าไปหาความสุขมันก็ดับทุกข์แล้วแต่ยิ่งศึกษาลึกเข้ามาในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการเอาจริงเอาจังทําให้เกิดประสบการณ์ตรงนะยิ่งเราฝึกมาแล้วเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะ ไปถึงการดับทุกข์ได้ด้วยวิธีคิดมันรู้สึกเหมือนไม่มีที่ตั้งแบบเดิมแล้ที่เป็นอีโก้แบบเดิมนะมันกลายเป็นอะไรอีกแบบหนึ่งที่เรายังไม่เข้าใจแล้วก็อยู่พ้นไปจากขอบเขตความสามารถที่เราจะไปเอาชนะกับใครมันไม่ใช่การแข่งขันแล้วแต่มันเป็นการที่ว่าเราทำถูกหรือทำผิด นีที่จะวัดว่าถูกหรือผิดเนี่ยเอาง่ายๆเลยอย่างถ้าหากว่าเราสามารถตอบตัวเองถูกว่าขณะนี้เราหายใจเข้าหรือหายใจออกตรงนี้เรามีสติอยู่แน่ๆเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านให้ตัวมาตรวัดมาหรือว่าตัวที่จะบอกว่าสติของเรามันอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่าอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าท่านให้ใช้วิธีนี้นยะถามตัวเอง หายใจเข้าหรือหายใจออกมันมีคาตอบอยู่แค่ถูกกับผิดเนี่ยถ้าเราหายใจเข้าแล้วนึกว่าหายใจออกอย่างนี้ผิดแน่นอนหรือว่าหายใจอยู่แต่ไปนึกว่าไม่ได้หายใจเพราะมันหายใจแผ่วเกินไปอย่างนี้เรียกว่าผิดจากความเป็นจริงแต่ถ้าหากว่าเราฝึกจนกระทั่งจิตมันจูนตรงกับความเป็นจริงแปะเลยมันจะรู้สึกว่าเออนี่ยตอนนี้กาลังหายใจเข้าอยู่ ตอนนี้ก็ลองหายใจออกอยู่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ตั้งใจต้องการลมหายใจเข้ามันไม่มีความสงสัยมันมีแต่ความชัดเจนว่าเนี่ยเรากำลังมีสติอยู่กับปัจจุบันแน่นอนแล้วสติที่อยู่กับปัจจุบันตรงนั้นเราสามารถขยายต่อ ย, ยอดออกไปเห็นความจริงทั้งหมดได้ความจริงทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าอยากให้เห็น ก็คือความไม่เที่ยงเนี่ยที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยมันรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันเห็นต่อไปในรายละเอียดที่มันจะยกระดับขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นรายละเอียดที่จะยกระดับขึ้นเนี่ยนะก็คือเราเห็นว่าเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นเมื่อไหร่เราเห็นว่าเออเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นเนี่ยจิตจะออกมาเป็นผู้ดูผู้รับรู้อยู่เฉยเฉยตัวเนี่ยมันชัดเจน มันปรากฏอยู่แล้วโดยธรรมชาติของจิตของทุกคนไม่มียกเว้นถ้าสามารถเห็นได้ว่าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นรู้สึกว่าลมหายใจไม่เที่ยงจิตจะออกมาเป็นผู้ดูความไม่เที่ยงของลมหายใจแล้วไม่รู้สึกว่าลมหายใจเป็นตัวเองพอน้องเกิดความรู้สึกว่าเราสามารถเห็นตรงนี้ได้ตัวจิตผู้รู้ผู้สามารถดูลมหายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้มันจะมีความมั่นใจในตัวเอง ว่าสามารถเห็นอะไรอะไรถูกต้องตามจริงได้หมดคือเห็นว่ามันไม่เที่ยงทั้งนั้นจะเป็นอารมณ์สุขก็ดีทุกข์ก็ดีสงบก็ดีฟุ้งซ่านก็ดีนี่แหละที่ตั้งที่ตั้งใหม่คือมันไม่ใช่ใช้ความฉลาดในการคิดแต่มันใช้ฉลาดในการรู้และยอมรับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นจริง มันจะเป็นความฉลาดอีกแบบหนึ่งเรียกว่าเป็นพุทธิปัญญาเนี่ยอย่างตอนเราเข้าใจนะเราเค่อยๆเห็นไปด้วยเนี่ยแต่มันจะเป็นยังเป็นการเห็นแบบแหวงแหว ง, ว, งวิ่นวินอยู่เพราะว่ามันมันมันคอยย้อนกลับมาที่ตรงนี้ถ้าน้องเห็นว่ามันยังแหวงแหวนวิ่นวิ น, วน และย้อนกลับมาที่นี่อยู่เรื่อยๆคอยคิดแล้วมันคิดแบบเบลอๆนี่ก็คือเห็นตามจริงตอนที่น้องเห็นว่ามันคิดแบบเบลอๆ เ, เหมือนแบบไม่มีที่ตั้งชัดเจนเพราะว่าน้ำหนักความคิดของเราเนี่ยที่ผ่านมาทั้งชีวิตมันมากระจุกอยู่ที่นี่มันไม่ได้ไปรับรู้อะไรตามจริงอย่างอื่นนี่คือความจริงของชีวิตน้อง ซึ่งถ้าเห็นได้ยอมรับได้นี่ก็คือว่าไม่เพียนจากความจริงแล้วเข้าใจที่พี่พูดป่ะคือแม้กระทั่งตอนที่เรารู้สึกเหมือนเบลอเหมือนกับกลับมาคิดแบบไม่แน่ไม่นอนไม่รู้จะหยิบจับอะไรเรารู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันก็คือความจริงถ้าเห็นแบบนี้เรียกว่ามาถูกทางแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันมีวิกิตฉาเพราะว่า เราเหมือนกันโดยความคิดเนี่ยมันเข้าใจทุกอย่างแล้วแต่หาที่ตั้งของความรู้ชัดไม่เจอเพราะว่ามันคอยมากระจุกอยู่กับไอ้ตรงนี้ไงอ่ามันคอยมันคอยแต่จะหาเหตุผลหาออะไรที่มันอยู่ในหน้ากระดาษว่าเออเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าถูกอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าผิดแต่พอมันมา อ, อ, อยู่กับขอบเขตของกายของจิต มันไม่มันไม่มีตัวถูกตัวผิดแล้วไงมันมันไม่มีใครมาทดสให้เรามามาตรวจทสเราว่าไอ้เนี่ยใช่หรือไม่ใช่เราต้องบอกตัวเองแล้วิธีบอกตัวเองก็คืออย่างที่พี่บอกเนี่ยแหละไล่มาเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกรู้หรือเปล่ามันมาถึงจุดสุดท้ายได้ก็คือว่าเราหลุดจากอาการรู้ลมหายใจมาตรงอยู่ที่นี่กระจุกอยู่ที่นี่ ถ้าแค่รู้สึกว่ามารู้สึกงงๆอยู่ตรงนี้มากระจุกอยู่ตรงนี้อ่านี่คือรู้ตามจริงแล้วรู้ว่าจิตอยู่ในส ภ, ภาพอย่างนี้มาตรงอยู่ตรงความคิดเบรเลอไม่มีที่ตั้งของความคิดมันเหมือนคนหลงทางแล้วพยายามหาป้ายบอกว่าตรงไหนกลับกรุงเทพอีกกี่ร้อยกิโลเสร็จแล้วหาไม่เจอ พอหาป้ายบอกไม่เจอปุ๊บมันเกิดความสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองทั้งหมดที่ผ่านมาบอกว่เราเราเคยบอกทางคนอื่นถูกนะว่าเนี่ยกี่กิโลมันจะไปถึงโน่นถึงนั่นด้วยความมั่นใจแต่พอมาดูกายใจมันกลับเหมือนกับป้ายบอกทางหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วบอกบอกตัวเองยังบอกไม่ถูกนอนี่วิธีที่จะบอกถูกได้ก็คือยอมรับสภาพที่มันกําลังปรากฏอยู่โดดเด่นที่สุด อย่าไปพยายามไอ้นี่มันมันเหมือนพยายามหาขั้นแอดวานซ์แบบก้าวกระโดดคือของเราเรารู้สึกตัวว่าคือมันแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเป็นมาตรวัดไงว่าเราเหมาะกับเบสิกหรือว่าแอดวานซ์แล้วของเราคอยแต่จ้องแอดวานซ์พอหาแอดวานซ์ Advanced ไม่ถูกก็เริ่มงงแล้วแล้วเบสิกมันอยู่ตรงไหน คือเล่าตอนเนี้มันอยู่ในขั้นที่ว่าเริ่มรู้ตัวว่าเบสิกต้องเอาให้ได้ก่อนซึ่งก็ดีแล้วนะเบสิกของเราก็คือเนี่ยมารู้ลมหายใจให้ถูกว่ามันเข้าหรือกําลังออกอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเบลอเลขึ้นมาแค่ยอมรับตามจริงเขาเรียกมีศัพทธรรมะที่เรียกว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือตัวความสงสัยแล้ววิจิกิจฉานี่แบบของเราเนี่ย มันเกิดขึ้นมาจากการที่ว่าเรามีความเคยชินที่จะกลับมาคิดประมวลผลเอาถูกเอาผิดนี้ในระบบประมวลผลของเราเนี่ยมันไม่มีตัวตั้งที่จับต้องได้ชัดเจนมันก็เลยเริ่มเบลอตัวเบลอนี่แหละตัววิจิตรชาของเราคือไม่แน่ใจลังเลสงสัยว่าจะเอาอยัางไงต่อนะ พอเห็นความสงสัยเห็นวิจิตรฉาเป็นอาการเบลอๆแค่เนี้ยเรียกว่าสติมีแล้วเห็นตามจริงว่ากําลังเกิดภาวะตรงนี้ขึ้นมาแล้วถ้าสงสัยเ อ, อมันมันจะลอยไปเรื่อยมันจะวนวนหลวอยู่เรื่อยเนี่ยนะเราก็กลับมาไล่จากเท้าจากมือไปดูลมหายใจใหม่นะพอมันเริ่มหลุดเราก็ไปดูอย่างยอมรับว่าเออเนี่ย วิธีสามันเกิดขึ้นนะนี่สลับไปสลับมาเรื่อยๆจนในที่สุดเรารู้สึกขึ้นมาว่าอ๋อไอ้ที่เราหาป้ายบอกทางกลับกรุงเทพไม่เจอก็เพราะว่าเราไม่ได้ดูป้ายบอกทางเรากำลังดูม่านหมอกที่มันบดบังป้ายบอกทางอยู่จริงๆป้ายบอกทางอยู่ตรงนั้นแหละเราแค่ เข็นให้ได้ก็แล้วกันว่าม่านหมอกมันกำลังบดบังอยู่ม่านหมอกในที่นี้ก็คือความคลุมเครือในหัวหรือตัววิจิวิจิกิจฉาจะพูดวิกิพีเดียอยู่เรื่อยอันนี้มันคนยกอินเทอร์เน็ตอัะนนะเข้าใจนะ ครับคือตัวผมเนี้ยปกติแล้วถ้าอากุศลจิตเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะไม่ได้ไปกดดันอะไรมันไม่ได้ไปทําอะไรมันรู้เฉยๆครับมันก็จะไม่หายไปมันใช้เวลานานมากในการหายไปครับแล้วแบบหลายๆครั้งอะ่ะก็จะความฟุ้งซ่านมันหนาแน่นนะนะคือคือเราต้องเข้าใจตัวเองยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าความปุ้งซ่านของเราเนี่ยมันมันหนาแน่นเราเป็นพวกที่คืออย่าง เวลาถูกกดดันให้ทำอะไรให้แบกภาระหนักๆ ห, หรือว่าจะต้องฝืนใจทำอะไรที่มันไม่ได้ต้องการจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความว้าวุ่นกระวนกระ ว, ระวยภายในซึ่งมันเป็นมาตลอดมันมันเป็นมาเรื่อยๆจนทั่งไอ้คลื่นความพุงส่้นตรงนี้มันสั่งสมตัวเองหนาแน่นเกินกว่าที่เราจะไปดูมันเฉย พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดูอย่างเดียวนะในสติปัฏฐานสี่เนี่ยในนิวรณะปรปะท่านสอนไว้ชัดเจนว่าพิจารณาดูว่าเนี่ยไอสิ่งที่เรียกว่า น, นิวรณ์เนี่ยอย่างเช่นความพุ่งสั้นอุทจักจักรกุจจะในของเราเนี่ยเรียกว่าอุทจักจักรกุจจะเป็นความพุ่งสั้นนําการใจผ่านมาแล้วเราสามารถรู้ด้วยสติได้ไหมว่ามันมันผ่านมาถ้ารู้ด้วยสติได้ว่ามันผ่านมา จะเห็นอาการผ่านไปของมันเองแต่ถ้าทำไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บอกไว้อันนี้อยู่ในนิวรณะบับพพะเลยนะท่านให้พิจารณาว่าสิ่งที่ทำให้ความฟุ้งซ่านมันระงับไปคือความสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิของจิตพูดง่ายๆว่าให้ไปทำสมาธิแต่วิธีทำสมาธิท่านแจกแจงไว้เยอะมากนะแม้กระทั่งการที่ ไปอยู่กับเนี่ยอย่างท่านให้ดูดาวดูฟ้าดูที่กว้างๆเนี่ยท่านก็แนะนำไว้นะพอตาเราเนี่ยเห็นที่กว้างๆเห็นที่เปิดๆมันจะเหมือนรู้สึกว่าอะไรในหัวที่ยุ่งๆเนี่ยมันเคลียร์ไปอย่างของน้องเนี่ยถ้าฝึกอาาปานสติจริงๆ บางทีน้องอ็จะรู้สึกว่าทำได้แล้วก็ดีด้วยนะแต่ส่วนใหญ่มันจะรู้สึกวุ่นวายเหมือนกับน้องจะรู้สึกได้เลยว่าทุกครั้งที่ทำอนาปานสติมันจะเกิดปรากฏการณ์ทางจิตแบบหนึ่งคือเหมือนมีคนเถียงกันในหัวเหมือนมีอะไรเถียงกันสองคนสามคนวุ่นวายไปหมดแต่อย่างตอนนี้พอเราคุยๆกันเห็นไหมมันส ง, งบลง เป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะพี่พูดถึงความพงซ่านในหัวเราแล้วเราเระลึกได้ว่าการพงซ่านหน้าตามันเป็นยังไงเห็นไหมเนี่ยยิ่งตอนนี้ยิ่งถอดออกไปอีกมันมันเหมือนมันเหมือนใจเราโล่งขึ้นมาอีกที่ผ่านมาเราไม่ยอมรับความวุ่นวายในหัวไงมันลำคาญมันเกลียด ไอ้สภาวะวุ่นวายในหัวมันไม่เคยยอมรับสภาวะวุ่นวายในหัวเลยแต่อย่างตอนนี้พอพี่พูดถึงมันมากมากเข้าไม่เกิดอาการยอมรับขึ้นมาเฉยเฉยอย่างนี้เขาถึงเรียกว่ารู้เฉยเฉยรู้ตามจริงที่ผ่านมามันไม่ได้รู้นะไอ้ที่น้องคิดว่าน้องรู้อ่ะโดยอาการทางจิตเนี่ยมันคือพยายามรู้ มันมีตัวพยายามขึ้นมามันเลยไม่รู้มันกลายเป็นอาการกดดันตัวเองเพิ่มให้ทำอะไรอีกแบบหนึ่งให้แบกภาระเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเข้าใจใช่ไหมเข้าใจอาการทางจิตไหมอย่างตอนนี้โดยอาการก็คือพอพี่พูดถึงความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจมันเห็นตัวความฟุ้งซ่านเห็นตัวความวุ่นวายเฉยๆอย่างนี้ที่เขาเรียกว่ารู้เฉยๆ แล้วต่อไปถ้าทำสมาธิเนี่ยนะอย่าไปพยายามเกิดอาการ <c oughs> อยู่ๆมีเสียงกรัาบก้าวขึ้นมา <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เ, เลยลืมเลยมัวฟังเสียงกรัาบก้าว เอาเอางี้คือเวลาที่เราจะทำอนาปนานสติต่อไปเนี่ยนะอย่าไปพยายามที่จะรู้ถ้าพยายามขึ้นมาน้องจะรู้สึกได้ถึงถึงอาการอยาก ถ, าถึงอาการที่ต่อต้านถึงอาการที่มันมีความวุ่นวายเหมือนกับมีคนเถียงกันในหัวตรงนั้นคือสัญญาณบอกว่าน้องพยายามาไม่ได้รู้เฉยๆแต่ถ้าหากว่ามีอาการรู้เฉยๆ มันจะรู้สึกเหมือนไม่มีคนเถียงกันมีแต่คนยอมรับเพานี่กำลังว้าวุ่นกำลังวุ่นวาย เ, เข้าใจพลอยนะอ่ะดาดา ลองทดลองดูนะทดลองดูอันนี้เป็นเป็นเครื่องทุ่นแรงเป็นเครื่องช่วยลองไปตัดผมสั้นๆดคคูคือคือทำผมให้มันเรียบๆบมันจะมีส่วนด้วยอ๋อมันมีส่วนด้วยเหรอครับไม่มีส่วนเห็นมาหลายคนแล้ว ค, ค, คือทำทำผมแบบกระเซิงกระเซิง<ๆ>แบบเนี้ยมันมันเหมือนกัดึงจิตให้ฟู้งซ่านง่าย ลองไปลองไปแบบทําให้มันเรียบๆดูตัดลองตัดแบบเกรียนๆเนะี่ยคือคือเอาข้างๆเขาขาวอเงี้ยนะอย่างของพี่เนี่ยนะถ้าผมยาวขึ้นมามันจะรู้สึกหนักๆ ห, ห, หัวขึ้นมานั่นดีบางทีถ้าถ้าที่เขาอธิบายคือว่ามันต้องใช้เลือดไปเลี้ยงผมมากขึ้นมันเลยไม่ค่อยสบายหัวมันเลยรู้สึกหนักๆ ห, ห, หัวอะไรเงี้ย แต่ที่พี่เห็นคือว่าบางคนเนี่ยถ้าจิตแบบน้องนะแล้วทำทรงผมแบบนี้เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้มันมันยิ่งกระเจิงอันนี้ทดลองดู ค, คื อ, ค, อคือแค่แค่ทดลองอะ่ะมันไม่เสียลายหรอกรลองไปลองไปทำแบบผมสั้นแล้วก็ทรงเรียบจะรู้สึกน่าจะรู้สึกแตกต่างชัดเจนนั่นดีแล้วของผมนี้ อาณาบรรณสติดูลมหายใจนี่เหมาะสมที่สุดหรือเปล่าครับหรือว่าเดินอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ผลมากกว่ายัางยังเมื่อกี้เนี่ยตอนทีมน่มันเมื่อกี้ตอนเราคุยกันมันมีอยู่ช่วงหนึ่ง <Okay. S 1> ที่น้องรู้สึกถึงลมหายใจขึ้นมารู้สึกป่ะใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถรู้ได้ใช่ไหมตอนที่ใจมันสงบนั้นเนี่ยที่ผ่านมามันไม่ใช่เราทําไม่ได้ แต่มันมีคลื่นความผุ้งซ่านมารบกวนจิตใจมากเกินไปต่างหากทีนี้พอใจมันสงบเราจะรู้สึกได้เราก็มีความสุขเราก็มีความดื่มดำํำก็ลมหายใจได้มันมีมันมีอยู่ช่วงหนึ่งสักประมาณสิบหรือยี่สิบวินาทีอะ่ะที่เรารู้สึกเบาที่มันมันมันคลายแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจขึ้นมาเองมันมีช่วงนั้นอยู่ใช่ไหมก็คือ ปา น, ส, ปานสติของผมเนี่ยก็คือเหมาะสมแล้วและพยายามที่จะไม่ไปคาดหวังไะครปานสติเนี่ยนะเหมาะกับทุกคนเชื่อเถ อ, อะจริงๆผมมีปัญหา <c oughs> เพราะว่าทำอานาปาิสติเฉยๆ ม, ม, มันรู้สึกว่าจิตมันไม่มีพลังนะครับมันไม่มีพลังพอแต่ว่าพอไปเดินจงกรมหรืออะไรที่มันมีเท้ากระทบมันมีอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะอยู่ได้นานกว่าในขณะที่อานเดินจงกรมเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนที่สุดเลย แต่ว่าขอให้เดินถูกจริงๆที่ผ่านมาน้องเดินแบบเดินแบบคนคิดมากมันไม่ใช่เดินแบบคนที่สบายใจที่จะเดินทีนี้พอเราเริ่มเข้าใจถึงจิตที่มันเริ่มโล่งขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะในที่ที่เมื่อกี้พี่บอกไว้ a s a u k a a com ด l a s h dangtrin เนี่ยก็มีวิธีการเดินจงกรมอยู่คือฟังไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยดูสัก2องสาครั้งจนก่าจะเข้าใจคอนเซปต์ นะมันมันจะเดินไดีดขึ้นไอ้นี่มันเดินแบบเดินแบบคนคิดมากอะ่ะคือน้องบอกว่ามีกำลังก็จริงนะแต่มันมันเหมือนกับคนคิดงานเนี่ยแล้วเดินไปด้วยเข้าใจไหมคือคือมันมีอาการคิดไปด้วยแล้วกออ็อาจจะสนุกกับการคิดระหว่างเดินไปเดิน<ม>เดินไปด้วย คือมันไม่ใช่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมันยังพุ้งซ่านอยู่ในขณะเดินนี้ลองใหม่ลองตั้งใจรู้แค่เท้ากระทบพอมันเริ่มพุ้งซ่านขึ้นมาเรารู้ตัวแล้วกลับมาอยู่กับกระทบใหม่นะลองเปลี่ยนแปลงดูแล้วคือฟังไปด้วยแล้วเดินไปด้วยแล้วก็ลองดูความแตกต่างไปก็แล้วกันนะครับ่าดินีสวัสดีค่ะพี่เติน หนูให้อัดก่อ น, นอคนสุดท้ายจ่าอัดว่างไงสวัสดีครับพี่กุ้ยตุลผมเปลี่ยนงานใหม่นะครับพี่ตุลแล้วก็ไปทําในงานที่มันมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นก็เป็นคนอนุมัติเซ็นอะไรต่างๆไปแล้วกม็มันคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าที่เ ง, งี้ยมันมันมันมันนำความความเร า, าต้องรับผิดชอบอะไรในงานเยอะ ช่วงแรกที่ทำเนี่ยรู้สึกมันมันทุกข์มากมันมันเป็นช่วงปรับตัวด้วยครับเแล้วเราก็จะเครียดเครียดมากทั้งที่จริงๆแล้วพอทําทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จริงๆเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยเนี่ยมันก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรเหมือนเหมือนเราไปคิดมากเนี่ยมันก็จะเป็นแต่แต่มันก็ยังเป็นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไอความที่เป็นรู้รู้สึกว่ามันมันเรารู้สึกว่ามันต้องรับผิดชอบมันต้องแบกรับ ความรับผิดเนี่ยมันทําให้เราเครียดแล้วก็จัดการความความเครียดได้ไม่ดีรูปแบบความเครียดมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนเครียดเนี่ยคือเราเหมือนมีก้อนอะไรหนักๆอยู่ในหัวตลอดเวลาครับแต่ตอนเนี้ยมันเครียดเฉพาะตอนที่รู้สึกเกี่ยวกับงานแต่พอเรามารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันเหมือนจะเบาลงไปมันเหมือนจะเบาลงไปได้แต่ก่อนมันไม่ใช่ไงคือพอเราเครียดกับงานหรือเครียดกับอะไรบางอย่างเนี่ยมันหนักอยู่ในหัวตลอดครับ อ่ะทีนี้แสดงให้เห็นว่าการที่เราจะาจมอยู่กับจมปลักอยู่กับความเครียดหรือว่าสามารถออกมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติในการตรึกนึก mm hmm. ถ้ า, าในช่วงที่เราตรึกนึกถึงสภาพร่างกายได้หรือสภาพลมหายใจได้เนี่ยช่วงนั้นมันจะเบาไป แต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเอมเนี่ยตรงเนี้ยอย่างที่อาจพูดมาเนี่ยว่ามันมันต้องรับผิดชอบตัวความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นอุปท า, านชนิดหนึ่งที่ตรึงเราไว้กับความคิดถึงสิ่งที่มันเป็นภาระหน้าที่เราแค่เจริญสติในแบบที่สร้างความเคยชินขึ้นมาใหม่ว่าเออเนี่ย ไอ้ตอนที่เรารู้สึกถึงภาระรู้สึกถึงความรับผิดชอบเนี่ยมันจะหนักๆขึ้นมาครับลองเปลี่ยนโฟกัสใหม่ขอบเขตของความรับผิดชอบของเราเนี่ยมันอยู่ในหน้าเอกสารแบบไหนคือให้เป็นนึกถึงตัวเลขให้เป็นนึกถึงหน้าเอกสารให้เป็นนึกถึงหน้าคนแล้วตัดคําว่าความรับผิดชอบหรือ ออะไรที่มันจะผูกอยู่กับความหนักคือไม่ได้เดี๋ยวฟังดีๆนะเดี๋ยวคนอื่นจะไม่เข้าใจคื อ, อ, อมนุษย์เนี่ยมันจะมีอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์หนึ่งเมื่อนึกถึงคำคำหนึ่งพูดง่ายๆว่าคำคำานึงเนี่ยมันผูกติดอยู่กับอารมณ์หนาแน่นพอเรารู้สึกถึงความเป็นภาระที่จะต้องรับผิดชอบขึ้นมาปุ๊บเนี่ย มันจะไปก่ออารมณ์เป็นสังขารขันแบบหนักๆ ห, ห, หัวขึ้นมาทันทีอันนี้ที่พี่พูดเนี่ยก็คือว่าเราถอนจากอความรู้สึกว่านั่นเป็นภาระเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบซะแต่อให้เข้าไปอยู่กับ้ความเป็นจริงตรงหน้าเนี่ยมันมีตัวเลขแค่ไหนมันมีอะไรให้เซนมันมีอใบหน้าของคน เป็นใบหน้าไหนบ้างคือไม่จมอยู่กับคําแค่คําเดียวหรือสองํามคำแต่ให้ให้ไปอยู่กับไอ้สิ่งที่มันเป็นความจริงเฉพาะหน้าจะเป็นตัวเลขก็ตามจะเป็นลายเซ็นของเราก็ตามลายเซ็นของคนอื่นก็ตามจะเป็นใบหน้าของคนอื่นก็ตามนะหรือว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่เราอาจจะต้องเผชิญกับมันคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้มนโนภาพของเราต่างไป จากคำว่าภาระหน้าที่รับผิดชอบกลายมาเป็นความจริงที่มันมีให้เห็นได้ตาเห็นได้หรือว่าหูฟังได้เนี่ยตัวเนี้ยมันจะปรุงแต่งจิตของเราให้แตกต่างไป <c oughs> คืออย่างเมื่อกี้ที่อาจรู้สึกเบาขึ้นมาเป็นบูมบูมอ่ะพอพอไปนึกถึงตามที่พี่ว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าเราเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างจริงๆเห็นได้ด้วยตาฟังได้ด้วยหู มันจะเบาลงเสร็จแล้วให้สังเกตด้วยว่าหลังจากที่เราทำงานเสร็จอารมณ์มันไม่จ บ, บมันมาคุ้นคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ที่เห็นเนี่ยนะคือเรามาผูกผูกอยู่กับไอ้ความเห็นแก่ตัวของคนหรือว่า ความไม่ถูกต้องของระบบอะไรทำนองนี้ความความไม่รัดกุมของระบบ <Okay. S 2> หรือว่าไอาการเปิดช่องเรืออะไรต่อม่อะไรต่างๆเนี่ยที่พูดง่ายๆว่าเราไม่ได้ทำแค่งานเราเอาจิตไปฝากไว้กับสิ่งนี้มันไม่ดีมันชั่วร้ายมันมืด mm hmm. มันมีอาการตรึกนึกถึงสิ่งที่มันนอกเหนือ หน้าที่ด้วยซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นอีกแต่พอมันเกิดขึ้นเราสร้างความเคยชินให้มันเห็นว่าเออเนี่ยให้อารมณ์มลบตรงนั้นเนี่ยมันกำลังหายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วก็ลมหายใจต่อมาเราก็ดู ว่ามันจะต่างไปไหมตัวเนี้ยมันจะเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างที่พี่บอกว่าพอเราเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยให้อารมณ์หนักๆมันจะหายไปครับมันจะเบาหลงมันจะมีช่วงเว้นบักแล้วพอมีช่วงเว้นบักตรงนั้นเราก็สามารถสังเกตเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ได้ไม่งั้นมันจะไม่มีจุดไม่มีจุดเปลี่ยนครับมันจะจมอยู่กับอารมณ์ไปเรื่อยๆอารมณ์ลบไปเรื่อยๆเพราะว่าเรายังตรึกนึกถึง ออะไรที่มันเป็นด้านลบของโลกด้านมืดของโลกคือเนี่ยยิ่งคนเราโตขึ้นมาโลกมันยิ่งดูเหมือนเรวเรวลายลงแต่จริงๆ ม, มันเท่านี้แหละเร็ว้ายอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่ดึกดําบันณอนันตา ก, กาลนะแล้วก็จะไปข้างหน้าอีกแบบนี้แหละไม่เปลี่ยนแปลงแต่ที่เรารู้สึกว่าโลกเร็ว้ายลงเพราะว่าเราโตขึ้นมีอาวุโสมากขึ้น แล้วก็ต้องไ ป, ไปเผชิญกับความจริงมากขึ้นทีนี้ถ้าคือเขาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยยิ่งแก่ขึ้นแทนที่มันจะเห็นมีวิธีการจัดการกับอะไรดีๆมากขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราถูกโลกกลือ่อนเคยมีคนพูดนะบอกว่าตอนวัยรุ่นเนี่ย หรือว่าตอนเด็กๆเกนี่ยเราจะเห็นชัดเจนอะไรถูกอะไรผิดแต่ยิ่งโตขึ้นมาเนี่ยไอ้ถูกผิดเนี่ยมันยิ่งเบลอสีเทาเออมันมันยิ่งมองไม่เห็ น, นว่าไอ้เส้นคาบเกี่ยวมันอยู่ตรงไหนแต่จริงๆถ้ายังสอดส่องเข้ามาดูว่าใจข้างในเนี่ยมันสว่างหรือว่ามืดความถูกต้องมันยังอยู่ความผิดพลาดมันยังอยู่มันชัดเจนถ้าเราหมกไปกับไอ จะบอกว่าสีเทวรู้สีดำก็แล้วแต่แล้วจิตมันเป็นอกุศลเนี่ยผิดที่จิต ผ, ผิดที่ธรรมชาติของจิตเคยมีคนถามพี่อ่ะคือแบบเรียกว่าระดับที่ต้องรับผิดชอบอะไรใหญ่ๆตโตๆอย่างเงี้ยนะถามง่ายๆเลยถามแบบเด็กๆเลยบอกว่าความดีความชั่วคืออะไร แต่มันถามออกมาจากมุมมองของผู้ใหญ่นะคาถามของเด็กๆแต่ว่าเป็นมุมมองของผู้ใหญ่พี่บอกว่าความดีความชั่วหรือความแม้กระทั่งความผิดความถูกเนี่ยจริงๆมันไม่มีหรอกมันมีแต่จิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลถ้าจิตเป็นกุศลเนี่ยมันถูกเพราะว่ามันจะนำเราไปสู่ความสุขส่วนจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันนาเราไปสู่ความทุกข์มันผิดตามหลักของพุทธศาสนา แต่ดูหน้าเขาแล้วฟังเขาก็ไม่เข้าใจหรอก <c oughs> คือมันไม่เข้าใจว่าจิตกุศลอะไรเป็นจิตกุศลอะไรเป็นจิตอกุศลมันไม่มีตัวอย่างแต่ของเราได้เปรียบเราจเจริญสติมาเนี่ยเราสามารถเห็นได้ว่าจิตกุศลมันสว่างยังไงมันเว้นวักจากอารมณ์มืดยังไงนะแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าเราใช้เป็นมัดวัดพอมาถึงตรงนี้เราใช้ตรงนี้เราเราใช้จิตเป็นมัดวัดเนี่ยมันก็จะได้บอกตัวเองถูก ว่าความรับผิดชอบของเราเนี่ยมันรับผิดชอบแค่เท่าที่โลกเขากาหนดให้รับผิดชอบเสร็จแล้วเราต้องมารับผิดชอบกับจิตของตัวเองด้วยตามที่ธรรมชาติเขากาหนดมาไว้แล้วถ้าเรารับผิดชอบไม่ถูกเนี่ยก็คือเราเดือดร้อนเป็นทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นที่มีอกุศลจิตไปจนกระทั่งถึงเวลาที่อกุศล อ, ก, อกุศลธรรมเนี่ย มันได้เวลาออกดอกออกผลคือพูดง่ายๆว่าถ้าเรายังมีอารมณ์ที่มันหนักอึ้งต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็ต้องจมลงสู่ความมืดคือไม่ใช่มืดแบบที่ว่าจะต้องไปทํำบาปทากรรมแต่มืดในแบบที่อารมณ์เราจะเป็นลบคนี่ไอ้อกุศลธรรมที่มันปรากฏก็คือรู้สึกเครียดไม่เลิกนะแล้วเรามัน คือตอนที่อย่างที่ชุนบอกว่ามันมันมันอินมันตึกนึกแล้วมันมันมันลบมันมืดไปเนี่ยคือก็ยังรู้สึกว่าบางทีเราอยากจะปล่อยแต่มันมันปล่อยไม่ไม่ได้เหมือนมันอินเข้าไปลึกมากตรงเนี้ยเพราะความคาดหวังของเราอ่ะคืออาจมีความรู้สึกอย่างหนึ่งด้วยไงว่าเราเคยรู้จักอารมณ์เบามาเราเคยเจริญสติเราเคยทาสมาธิมามันมีความคาดหวัง ว่าถ้าเราเคยทําได้ดีมาขนาดนั้นเนี่ยก็จะต้องมารับกับอารมณ์ที่มันหนักที่มันมืดได้ด้วย <c oughs> คือมันจะเป็นความคาดหวังอยู่ลึกๆบางทีมไม่ได้คิดนะ <c oughs> แต่มันจะรู้สึกอยู่ลึกๆว่าเราน่าจะแฮนเดิลมันได้แต่พอแฮนเดิลไม่ได้เรารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติคือไปมองว่าเราต้องทําได้ไง เข้าใจพอยตรงนี้ก่อนนะ ค, คือมันมันเป็นความเชื่ออยู่ลึกๆว่าเราต้องทําได้แต่พอทําไม่ได้อาจก็ไปบอกแล้วว่าเนี่ยมันต้องมีอะไรทั้งอย่างผิดปกติมีอะไรทั้งอย่างที่เรายัางไม่ได้ทําหรือว่ายัางยังทําไม่ถูกอะไรแบบเนี้ยนะพอยที่พี่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ก็คือว่าแค่เราสร้างความเคยชินใหม่ แทนที่จะไปตรึกนึกถึงอะไรที่มันเป็นหน้าที่รับผิดชอบหรือว่าความเห็นแก่ตัวของคนหรือว่าช่องโหว่อะไรก็แล้วแต่นะให้มานึกถึงสิ่งที่เราต้องทําจริงๆคือผูกอารมณ์ไว้กับสิ่งที่มันมันเห็นชัดๆว่าเนี่ยเรามีขอบเขตต้องทําอยู่แค่นี้ไม่ใช่ไปผูกไว้กับสิ่งที่มันชัว่วร้ายเป็นอกุศลธรรมนี่อันนี้ต้องอันอันดับแรกเลยแล้วจากนั้นเนี่ยก็ สังเกตอารมณ์ให้เป็นว่าเนี่ยมันเริ่มหนักๆขึ้นมามันเริ่มมืดๆขึ้นมาแล้วก็ดูว่าเออมันเนี่ยที่มันเกิดอกุศลธรรมตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับลมหายใจไหนแล้วลมหายใจต่อมามันยังเท่าเดิมหรือต่างไปคือสังเกตตรงเนี้ยให้ให้ให้มันมีความชานาญให้ให้มันเป็นความเคยชินแบบใหม่และตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าความสามารถแบบเก่ามันไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้หยิบมันขึ้นมาใช้แบบถูกต้องถูกยังหวะเท่านั้นเองนีครับผมนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะพเพชรตลตอนทุกวันนี้รู้สึกว่าแต่ละวันมั น, มนไม่เหมือนกันนะคะคื อ, อบางวันก็รู้สึกว่าตัวเองทุกบางวันก็รู้สึกว่าตัวเองสุขเบาๆะคะ่ะบางครั้งก็รู้สึกว่าเออตัวเองพอมีสติแต่ว่า หลายๆครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองหลงกับอารมณ์โลกอะค่ะใช่๋ย <c oughs> ่มันก็ไม่ได้วุ่นวายมากเหมือนแต่ก่อนคือช่วงนี้ชีวิตมันมันเรียบอะคะ่ะค่อนข้างเรียบไม่ได้ไปเวลาวุ่นกับคนก็จะก็จะอินแล้วก็ไม่ไม่ได้ทํางานเดิมนะใช่ไหมใช่ไม่ได้ทํางานนะคะช่วงนี้อยู่บ้านอย่างเดียวส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน <c oughs> ย, ยังคะ่ะแต่ก็ <c oughs> เกือบอะไรเงี songs, like aka, e asis, mm ้ยค่ะก็รู้สึกว่าเวลาอย่างเช่นีมีโปรเจกต์งานงานบุญไปช่วยเงี้ยค่ะเจอคนหลากหลายแม้กระทังงานบุญมันก็มันก็ธรรมดานะคะก็จเจอคนกิเลสมนุษย์อะไรเงี้ยกิเลสเรากิเลสเขาก็จะเห็นก็จะเห็นตัวเองขึ้นมาชัดขึ้นมาทีหนึ่งว่าตัวเองเป็นคนยังไงแต่พออยู่บ้านเฉยๆก็จะไม่เห็นก็ดูทีวีล่องลอยไปอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็สักพักนึงก็จะเห็นตัวเองว่า ความทุกข์นะคือการที่เราอยู่เฉยๆแล้วแล้วมันมันไม่มีสติอะคะ่ะมันมันมีความทุกข์เหมือนหนักอกแต่ก็แต่ก็หลุดไปหลงกับมันเรื่อยๆต่อๆเนี่ยค่ะทีนี้วันนี้ที่ ท, ท, ที่ช่วงนี้ที่เป็นคือกรรมฐานคือสวดมนต์นะคะพยายามจะสวดมนต์ว่างว่างจากงานที่โฟกัสก็จะสวดมนต์เนี้ยค่ะพยายามจะสวดมนต์เป็นเป็นเป็นกรรมฐานเนี่ยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าว่าว่ า, วา ที่ทําอยู่เพิ่งเริ่มนะคะที่เห็นคือว่าจิตของเรามันฟุ้งสั้นสั้นสายน้อยลงอันนี้คือข้อดีแล้วนะปกติเนี่ยถ้าโดยดั้งเดิมเนี่ยก็คือว่าเราไม่มีอะไรทําก็คือฟุ้งไปเรื่อยหรือแม้มีอะไรทําก็ฟุ้งไปเรื่อยอยู่ดีแต่ตอนนี้มันเหมือนกับพออยู่ว่างๆเนี่ยพอฟุ้งขึ้นมามันก็ฟุ้งขึ้นมาแป๊มหนึ่งแล้วมันก็จางลงไปแล้วพอเราทํางาน จะเป็นงานหนักหรืองานเบาอะไรแค่ไหนเนี่ยเราก็อยู่กับมันยังมีความสุขมากขึ้นนะสติถ้าจะจะจะเดินได้ในช่วงนี้ก็คือเราสามารถเห็นว่าตอนที่มันมีคลื่นความพุงสัน้นผุดขึ้นมารบกวนจิตใจนะเราเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์แค่ไหนบางทีเนี่ย ถ้าเราจะรู้สึกถึงความฟุ้งซ่านได้เนี่ยเราจะเห็นนะว่าช่วงที่ฟุ้งซ่านที่ที่มันรบกวนจิตใ จ, จเนี่ยมันมีความทุกข์ทางใจอยู่ระดับหนึ่งคือมันเป็นความทุกข์อ่อนๆลองสังเกตดูว่าเออเรารำคาญใจเราไม่ได้อยากฟุ้งซ่านแบบแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเนี้ยมันมันรักมากเลยการฟุ้งซ่านตลอดยี่สิสี่ชั่วโมงเนี่ยนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมันเริ่มรังเกียตว่าเออความฟงซ่นมันทาให้เรา รู้สึกจิตใจมันมีเครื่องรบกวนเหมือนมีครื่องรบกวนทีนี้พอเห็นว่าเออเนี่ยเครื่องรบกวนเกิดขึ้นแล้วมันหายไปจางไปเราสังเกตตรงนั้นว่าจิตมีความสุขแตกต่างไปยังไงมันจะได้มีเครื่องสังเกตมีจุดสังเกตเพราะที่ผ่านมามันเหมือนเหมือนไม่มีจุดสังเกตไงว่าจะให้ดูความแตกต่างที่ตรงไหนแต่ตรงเนี้ยที่พี่รู้สึกเลยก็คือตอนที่ เราสามารถโฟกัสกงานอย่างมีความสุขเนี่ยใจมันจะใจมันจะเบิกบานใจมันสบายใจมันไม่มีความรู้สึกเหมือนอต้องไปเป็นทุกข์ไก่คลื่นนบกวนอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยมันมีทุกข์เพราะคลื่นนบกวนอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ไม่ไม่เข้าใจเพราะเราไปหลงนึกว่าความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องน่าพอใจมันก็เลยไม่ได้สังเกตความทุกข์ที่เกิดจากความฟุ้งซ่านแต่ตอนเนี้ยมันเห็นแล้วว่า พอพุงสั้นแล้วมันเป็นทุกข์แต่มันเป็นทุกข์อ่อนๆเราก็เลยไม่ได้สังเกตนี้ถ้าเรามาสร้างความเคยชินใหม่ไปสังเกตความทุกข์อ่อนๆตอนที่มันเกิดความปพุงสั้นได้ความความทุกข์เนี่ยมันจะมาในรูปของความลำคาญใจ<ะ>มันรู้สึกว่าเอออยู่ดีๆก็มีคลื่อนรบกวนขึ้นมาพอเห็นว่าเออไอความํำคาญใจมันเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งนะ เราเห็นว่าความนำคานนั้นมันลดลงได้เมื่อเราเห็นความนำคานเราเราจะเห็นว่าความฟุ้งซ่านมันจางตัวลงได้เมื่อเรารู้สึกถึงความฟุ้งซ่านเนี่ยตอนนี้ความสุขมันก็จะขึ้นมาแทนมันเห็นความต่างทางภาวะทางใจเนี่ยตัวนี้แหละที่จะทําให้จิสติมันจเจริญขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ได้นะค่ะ ข, ขอบคุณค่ะเอาละโอเคคิดว่าครบกันทุกคนแล้ว เดี๋ยวคืนนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากที่มาร่วมเสวนากันครับผม